สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่25เรื่องข้อควรระวัง8ประการของคนที่มีปัญญาพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3พระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่27จนถึงข้อที่35โปรดฟังพาชนะของพระเจ้า อย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะกระทำได้อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วอย่ากะแผนงานชั่วร้ายของต่อเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอย่างไว้วังใจอยู่ข้างๆเจ้าอย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผล ในเมื่อเขามิได้ทําอันต ร, รายอย่างใดแก่เจ้าอย่าอิจฉาคนที่ทารุณอย่าเลือกทางใดๆของเขาเลยเพราะคนตลบตะแลงเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่คนเที่ยงธรรมอยู่ในความไว้พระทัยของพระองค์คํำสาปของพระเจ้าอยู่บนเรือนของคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรม พระองค์ทรงยอร่อเย้ยคนที่มักย่ะเย้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงถ้าคุณแก่คนใจถมคนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอับปยพี่น้องครับข้อควรระวังแปดประการของคนที่มีปัญญาประการแรกก็คืออยู่ในข้อที่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดครับอย่ายึดความดีไวจากผู้ที่สมควรจะได้รับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สอง อย่าพูดกับเพื่อนบ้านว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ประการที่สามอย่ากะแผนงานชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้าประการที่สี่อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลประการที่ห้าอย่าอิจฉาคนที่ทารุณประการที่หกอย่าเป็นคนตลบตะแลง ประการที่เ็อย่าเป็นคนชั่วร้ายแล้วประการที่แปดอย่าเป็นคนที่มักเหยาะเยยพี่น้องครับในพจะเจ้าของพระเจ้าที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตและได้รวบรวมข้อมูลมีอยู่แปดนะครับแปดประการด้วยกันที่เป็นข้อควรระมัดระวังแปดประการนี้อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะไขขวนครับการยึดความดี จากคนที่สมควรได้รับอย่าทำเลยครับการที่จะผลัดวันประกันพุ่งในการช่วยเหลือคนอื่นอย่าทำเลยครับการที่เราจะกะแผนงานชั่วร้ายต่อคนที่อยู่ข้างๆเราเพื่อนบ้านของเราก็อย่าทำครับการที่เราจะโต้แยง้งเอาชนะคนอื่นยังไม่มีเหตุผลนะครับในเมื่อเขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง ก็อย่าทำครับเราไม่ควรที่จะไปอิจฉาคนที่ทารุณคำว่าคนที่ทารุณตรงนี้หมายความว่าคนที่ขี้อิจฉาหรือเป็นคนที่ชอบกดดันคนอื่นเป็นคนที่ทาการร้ายทาการทารุณนะครับอย่าไปเลือกทางใดๆของเขานะครับนี่เป็นประการที่ห้าประการที่หกเริ่มต้นในข้อที่สามิบสองไม่มีคาว่าอย่าครับ แต่โดยความหมายโดยไวยะนะครับก็คือว่าอย่าเป็นคนตลบตะแหลงคำว่าตลบตะแหลงนั่นคนเป็นคนที่พลิกไปพลิกมานะครับพูดทางนู้นพูดทางนี้เป็นคนที่ทาความชั่วเป็นคนที่วิตกฤตเป็นคนที่เพ่งผิใช้คำว่า perverted perverted perverted เพราะว่าเจ็ดแปลว่าตลบตะแลงแปลว่าพลิกไปพลิกมานะครับอันนี้อย่าเป็นคนตลบตะแลงประการต่อไปครับอย่าเป็นคนชั่วร้ายคําว่าชั่วร้ายนั้นมักใช้คําว่า evil นะครับ doer ก็เป็นคนที่จัดอยู่ในพวกที่ตลบตะแลงเป็นคนที่ทําความชั่วนะครับเต็มไปด้วยความบาปนะอันนี้เป็นประการที่เจ็ด ประการที่แปดครับอย่าเป็นคนที่มักเยาะเยะ้ยคนมักเยาะเย้ยนั้นภาษาอังกฤษใช้คำสกอร er e er ์เนอ e r S C O R N E R s ก o r n เนก็คือเป็นคนที่มักจะคิดว่าตัวเองเก่งมักจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็เยอะเย้ยคนอื่นตัวอย่างของคนที่มักเยาะเยะ้ยหรือสกอร์เนอร์ในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือพวกฟาริสีชาดูสีครับเป็นพวกธรรมจารย์ที่ คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รักษาธรรมบัญญัติแต่กลับเป็นคนที่กล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติเพื่องครับอย่าเป็นคนทั้งแปดประการนี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ครวนนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่สามสิบห้านี้และเมื่อเราไถ่ควรวนเราก็เห็นว่าเราไม่ควรทำแปดประการ ถ้าว่าใครก็ตามที่มีปัญญาครับอย่ายึดความดีไว้จากคนที่สมควรได้ครับหมายความว่าครับหมายความว่าอย่าขโมยเกียรติของเขานะครับอย่าขโมยผลงานของเขาอย่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับฉวยเอาความดีเอาหน้าเอาเกียรติจากคนอื่นในเมื่อสิ่งที่หลายๆลครั้งทีเดียวเราสามารถให้เขาได้โดยเพ้อยิ่งให้เกียรติครับ แลโดยพ้อยิ่งการช่วยเหลือการช่วยเหลือที่เราสามารถจะให้ได้ในพระคัมภีร์นะครับไดมีพูดถึงไว้หากว่าพี่น้องจะเปิดดูนะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบเจ็ดถึงสิบแปดนะใครก็ตามที่มีความร่ํารวยในโลกนี้ก็อย่าหดมือของท่านในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่าคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นมีความสามารถมากกว่าคนอื่นนะครับแท้จริงแล้วความสามารถความดีความมั่งคั่งร่ํารวยที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าครับ เพราะฉะนั้นให้เราที่จะทําความดีนะครับทําสิ่งที่ดีอย่าหดมือของเราอย่ายึดความดีจากคนที่สมควรได้รับอย่าพูดกับเพื่อนบ้านอันนี้เป็นอย่าประการที่สองนะครับอย่าพูดกับเพื่อนบ้านว่าไปเถิดนี่คือการผลัดวันประกันพุง่งพุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วนะครับก็จะคล้ายคึง ก, กันกับข้อแรกครับนะอย่าดีแต่พูดแต่จงกระทําครับ ยาที่สามนะครับข้อควรระวังประการที่สามก็คืออยาคิดชั่วอยากะแผนการชั่วร้ายยาวางแผนชั่วนะครับอยาทําชั่วกับคนที่ดีต่อเราอันนี้เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับอย่าเอาชนะคนอื่นนะครับทั้งด้านความคิดการกระทําคําพูดอย่างไม่มีเหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้เป็นอันตรายใดๆกับเราเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรไม่ควรทําครับ ประการที่ห้าครับอย่าอิจฉาคนที่ทารุณอย่าเลือกทานของเขานคนที่ทารุณ น, นั้นในที่สุดเขาไปไม่รอดหรอกครับนคนที่ที่อิจฉาคนอื่นนะครับก็ไปไม่รอดในที่สุดนั้นใครก็ตามที่เดินทางแห่งความอิจฉานะครับเดินทางแห่งความรู้สึกที่ว่าคนอื่นดีกว่าตัวตลอดเวลา นะครับคนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้พี่น้องครับการอิจชานั้นเกิดจากความเปรียบเทียบที่มีอคติความอิจชานั้นเกิดจากการเปรียบเทียบที่มีอคติหรือความอิจชานั้นอาจจะเกิดจากการที่คนไม่รู้ความจริงไม่รู้ข้อมูลแท้จริงแล้วเกิดความอาคติก็ทำให้เสียสติครับเสียปัญญาที่ควรจะมีนะครับอันนั้นเป็นประการที่ห้าประการที่หกครับ อย่าเป็นคนตลบแสลงนะครับเพราะคนตลบแหลงนั้นเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้าครับพระเจ้าไม่พอพระไทยนะครับแต่ให้เป็นคนเที่ยงธรรมครับเป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า righteousness นะครับเป็นคนที่เที่ยงธรรมนะความเที่ยงธรรมนั้นก็คือความไม่มีอคติความยุติธรรมนะครับพุทธภิปีบอกว่าเพราะคนตลบแสลงเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่คนเที่ยงธรรมนั้นอยู่ในความไว้พระไทยของพระองค์ พระเจ้าไว้ใจคนที่เที่ยงธรรมครับพี่น้องครับพระเจ้าไว้ใจคนที่เที่ยงธรรมประการต่อไปครับประการที่เจ็ดอย่าเป็นคนชั่วร้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าคําสาบของพระเจ้าอยู่บนเรือนของคนชั่วร้ายในทางกลับกันครับพระพุทธบอกว่าพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่คนที่อาศัยแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรมคาว่าคนชอบธรรมนั้นนะครับก็แปลในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ righteousness นะเหมือนกันครับกับข้อที่สามสิบสองพระเจ้าทรงอำานยพระพรแก่ที่อาศัยหมายความถึงครัวเรือนครับทุกคนที่อยู่ในความชอบธรรมนะครับนะครับอยู่ในครัวเรือนของคนชอบธรรมนั้นจะได้รับพระพรและสุดท้ายครับอย่าเป็นคนมักเยอะเยอยเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเยอะเยยคนที่มักเยอะเย้ยครับนะพระพระองค์จะเยอะเยอยจะตอบแทนนะครับคนที่มักเยอะเย้ยด้วย การยอดเย้ยของพระเจ้าใครก็ตามที่ถูกพระเจ้าเยอะเย้ยนะครับโอ้โห و, เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจถ่อมพี่น้องเห็นไหมครับว่าคนใจถ่อมคืออะไรครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคนที่มักจะคิดว่าคนอื่นดีกว่าตัวเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะไว้วางใจพระเจ้าเพื่อที่เขาจะให้เกียรติคนอื่นนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นพวก scorners ก็คือเยาะเย้ยคนอื่นหญิงอยะโสสุดท้ายครับในข้อที่สามสิบห้าพระคัมภีร์ปิดนะครับในข้อสุดท้ายของสุภาษิตบทที่สามก็คือคนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนงโง่จะได้ความอับประย์ขอบเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาอาเมน